الحمد لله، <تصفيق> اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وله، <تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ربنا ظ ل م ن ا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، <تصفيق> ربنا أ ت ن ا من لدنك رحمة. <تصفيق> อภัยเลนาจากอเมริกา رش ดา الحمد لله. ฉันขอบฉันอีอ <clears throat> ินชาอัลลอฮ์คุณจะชอบขอบสุรัตุลมุลกผมนับดูแล้วได้ประมาณสิบสามตอนวันนี้เป็นวันที่เป็นครั้งที่สิบสามที่เราคุยกันเกี่ยวกับสุรัตุลมุลกไม่ดูสิว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะ ให้ส ah ุรษนี illah, nah, ้ลงท้ายอย่างไรในการสนทนาโต้ตอบกับบรรดามุชริกินที่ปฏิเสธประดชานุภาพของลอปฏิเสธวันเกียมะอัลฮัมดุลิลละเรื่องราวต่างๆที่เราได้เรียนมามันบอกให้เราทราบถึงหลายๆอย่างที่เป็นนิสัยบรรดามุชริกินบรรดาคาฟิรินที่ ป ฏ, ปฏิเสธศรัทธาต่อโลกสุภาลังตะรวมทัง้งได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่ของโลกสุภาลังตะแลในโลกดุนียและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันอาคราฐเช่นเดียวกันอ่านสักนิดนะครับนิดเดียวตั้งแต่อายุที่27เป็นต้นไปจบเลย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 فَلَمَّ رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَأْتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي ك ُ ن ت ُ بِهِ ت َ د d a u n و َ إ ِ ن َ ه ََ ا الَّذِي أ ُ ن ْ ب ِ ر ْ ت َ ن َّ قُلْ أ َ ر ََ ي ْ ت ُ م ْ إ ِ ن ْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَمْعِي أ َ و ْ ر َ ح ِ م َ ا ن َ <سؤال> فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ. هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال. قل أرأيتم إن أصبح ما ء ك م غورا ku ให้พระองค์ทรงมีพระค a l ในสิ่งทของค์ทระขอให้ารอ่าอรอนาระของเราเิระน์ แก่ okay. พวกเราทุกคนผมทั้งผลบุญที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้ประทานให้กับบรรดาผู้ที่อ่านคำพีของพระองค์ทุกคนอินชาอัลลอ์นะครับอาเมนอย่าลบหลูอามีเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้กล่าวถึงหรือเราได้พูดถึงอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานตะละได้บอกถึงพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิเสธแสดงออก ถึงความต่ําต้อยทางปัญญาหลังจากที่ไม่สามารถจะโต้อตอบท่านนาบีสุลต่านความชัดเจนต่า ง, างๆที่ท่านนาบีได้นํามาเผยแพร่นํามาเชิญชวนพวกเขานํามาชี้แจงกับพวกเขาทําให้พวกเขาจนตรอบจนต้องใช้วิธีการแบบอันธพานวางวัดท่านนาบีสุลต่านนั้นจะไม่สามารถ ด่าวาฟุกเขาได้อีกู ق و ้ و ن متى هذا الوعد إن อ ن ت م صادقين ด, ดยการกล่าวแก่ท่านนาบีว่าเมื่อไร่เล่า ว, วันเกียรติจะเกิดขึ้นสัญญาที่ท่านนะที่เจ้าได้บอกกับเราได้ครูเราได้กล่าวสัมทัพตักเตือนเราเนี่ยถ้ามันมีจริงเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนบอกมันสิสแสดงออกถึงความ เบาปัญญาไม่รู้จะถามยังไงแล้วไม่รู้จะตอบยังไงแล้วก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับึกว่าท่านนาบีจะจบลงเพียง เ, เพียงแค่นั้นนะครับนี่เป็นนิสัยของคนที่ดื้อดึงและก็ตะกบรต้าอัลล์ ا ن ะ ل ى ในสุรษะสุระตุนเนฮลอัลลอฮ์ตาอัลอฮวะอัมรุลลอฮ فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أما ي ش ر ك و ن คุณต ah, ้นสุรห์เลยอันนี thing, i, anti, ้เลยัจจะ أمر ล ل ل ه สัญญาของ Allah จะมาแน่นอนประกาศเลย أمر Allah หมายถึงวันแกมัดวินาทีที่จะเกิดวันแกมัดจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนัจจะ أمر a ล l a h เพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกเรามันมาเอง สักวันหนึ่งนะครับ فلا تستعجلو ไม่ต้องรีบ <laughs> คือสุภานนลลอสซาลาประกาศอย่างนั้นเลยนะครับด้วยความแจ่มชัดด้วยความ ท, าทยย้าทายมากเลยไอคนที่เรียกเรียกเนี่ยจริงๆแล้วในใจมันก็มีมีกลัวมั่งแต่ว่าเรียกลองเรียกว่าท้ า, าทาทยาต้องการที่จะเอาชนะ ไม่ใช่ต้องการที่จะเอาความจริงเนี่ยถามอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะรู้หรอกว่ามันเกิดเมื่อไรคือจริงๆก็ไม่อยากจะรู้หรอกว่าจะเกิดวันไหนปีไหนต้องการที่จะเอาชนะในการทะเลาะในการโต้เถียงท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวส <s> ัลลัมลต์สติลูไม่ต้องรีบ <s> เดี๋ยวมาเองนะครับ <S <s ในใ น, ในสุรทุรลมุลกอัลลอตอลาสั่งให้ท่านนาบีตอบไปแบบธรรมด้ท ร, รมด ไม่ต้องตอบแบบพิศดานไม่ต้องตอบแบบอลังการตอบตอบตรงๆไปเลยกุลอินนามัลอิลมอินดัลอความรู้กำหนดการว่าวันไหนจะเป็นวันกียรตินั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ฉันไม่มีหน้าที่มาบอกท่านมาบอกพวกท่านว่าวันกียรจะเกิดวันไหนหน้าที่ของฉันก็คือมาเตือนท่านมาเตือนมาสกิดมาทัก ให้พวกท่านลือไอ้พวกท่านนึกสานึกไม่ได้มาบอกว่าจะเกิดวันนฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหนวะเราคุณตุอลมุลกบแลสตัการตุมินัลขัยรวะมามัสซันย์สูท่านนบีเนี่ย <Patreon>? ทุกสั่งจากอัลลอฮ์สูงสุดให้บอกบาดามิชลิกนว่าถ้าฉันรู้สิ่งรึกลับวะเราคุณตุอัลัมุลกบถ้าฉันรู้สิ่งรึกลับและสตักษัรตุมินัลัยรฉันเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่อย่างนี้ นะ บ, บ้านของท่านนาบีลา อ, อักครบ้านของคนเป็นรอซูเอ่ะพี่น้องครับท่านอุบาร์อิมโนลขัดต่บวันหนึ่งเข้าไปหาท่านนาบีสลัลลัลสลามเห็นท่านนาบีนอนอยู่บนเสือพอพลิกเนี่ยเห็นรอยพี่น้องเคยนอนบนเสือไหมครับเห็นรอยเสือบนหลังอ่ะอมาร้องไห้ท่านเป็นถึงรอซูในขณะที่นูน่นจั ก, กรพรรดเิเปอร์เซียจั ก, กรพรรดิโรมันมันนอนอยู่บน อะไรนะนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนร้องไห้เห็นท่านอาบีอยู่ในสภาพอย่างนี้ท่านอาบีก็ถามว่าเจ้าร้องไห้ทําไมอมร์เนี่ยบอกเมื่อกี้บอกบอกรู้สึกว่าทําไมท่านต้องนอนอย่างนี้ในขณะที่ไอ้นคนที่อยู่บนความเทเส็จมันอยู่สบายเหลือเกินสุบฮานอัลลอฮ์เห็นไหมท่านอบีบอถ้าฉันรู้สิ่งเร้นลับนี่แล้วกะสรุปมีอลไรขฉันไปขุดทองไล่เธออยู่ตรงไหนทองนะไปขุด ไอ้สมบัติอยู่แถวไหนไปขุดเลยเพราะรู้สิ่งเรึนลับแต่ท่านนาบีไม่ได้รู้สิ่งลึนลับว่ามามศสนียสู้แน่นอนว่าฉันเองก็จะไม่สบไม่ประสบกับอันตรายเพราะเวลาถ้ารู้สิ่งรึนลับว่าอันตรายจะเกิดเมื่อไหรที่ไหนก็ไม่ต้องไปจะได้หลีกเลี่ยงแต่ท่านนาบีไม่รู้ในสงครามอูฮุดฟันของท่านหักโดนโจมตีจากบรรดามุชริกินท่านเป็นคนธรรมดาไม่รู้สิ่งลึนลับใดๆทั้งสิ้น ขนาดสิ่งรึกลับปกติธรรมดาในโลกดวงยาท่านยังไม่รู้แล้วนับภาษาอะไรากับวันเกียร์มาซึ่งเป็นวันสิ่งเรึนลับอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครรู้ท่านนาบีเองก็ไม่รู้ท่านเป็นคนธรรมดาอัลลอฮฺสั่งให้ท่านนาบีตอบไปอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวตอบไปเลยอินนาม العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين แล้วว่พอตอบตอบอย่างนั้นเสร็จเนี่ยก็ปล่อยไป ล้มาดูอ๋ยต่อไปฟลัมม์รเอาจูซุลฟต์นซีเอตูจูห์ขลาทีนักฟาร์ปล่อยคนที่อยากจะรู้ว่าวันเกียรติจะเกิดเมื่อไหร่นี่ปล่อยปล่อยให้มันถามไปอย่างนั้นเพราะถึงเวลาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นฟลัมม์รเอาจูหซุลฟต์นดังนั้นเมื่อพวกพวกปฏิเสธศรัทธาได้มองเห็นการลงโทษของลอชมาใกล้พวกเขาและเห็นมันด้วยตา พระอูซุลฟตันอัลลอฮ์อะะคัรความหมายนี้นะครับเห็นอาซาบหรือว่าเห็นการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาเนี่ย อ, อธิบายได้2องสอะไรนะสองประการตับซีรบักตับซีรก็อธิบายว่าในโลกดุนยาเลยเวลาที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาประทานการลงโทษว่าอาซาบของพระองค์ลงมาในโลกดุนยาเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนพวกนี้ก็คือซ uh ีอัตวูฮุลละดีนักัฟฟรูนี้บางทับเซรว่าอย่างนั้นบางทับเซร์เขบอกว่าในวันเกียมะหมายถึงว่าสมัยที่ยังอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยพูดได้อย่างเขาเรียกว่าไม่กลัวไม่กลัวใครแต่พอถึงวันเกียมะสภาพของคนกาเฟิรในวันเกียร์มะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ซีอ uh ัตวูฮุลละดีนักัฟฟรู จะปรากฏความอัปอายด์และความทุกบนใบหน้าของพวกเขาซีเอชหมายถึงว่าหน้าดำคร่ำเครียดจากเดิมที่หัวเราะเยอะหัวเราะเยอะทันนบีหัวเราะเยะบรนดาผู้ศรัทธาหัวเราะเยะบรรดาคนที่ไปตักเตือนและก็เชิญชวนให้กลับไป ห, Allah, บหาล่องสุพฮาณแต่ละพอถึงวันเกียรติสภาพจะกลับกันนะครับจะกลับตาลปัด ไปเป็นอีกแบบหนึง่งซีอะทูจูฮุลลาดีนักฟรุอลัอลลอฮฺสั่งใช้คำวนันหน้าใบหน้าเพราะว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแสดงออกได้บางทีพูดอย่างหนึง่งแต่ใบหน้าอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมคนละเรื่องกันเลยให้ดูใบหน้าเป็นหลักสุบฮานะลอเวลาดีใจก็อยู่ที่หน้าเวลาเศร้าใจก็อยู่ที่หน้าเวลาเครียดก็อยู่ที่หน้าเวลาโกรธก็อยู่ที่หน้าเนี่ยแปลกมากเลยอันนี้ก็เป็น เครื่องหมายหนึ่งที่แสดงออกถึงความสามารถของลอสุมพานอาวัจจาร ะ, ะอลาตัลาสร้างเราให้เห็นจากหน้ามนุษย์เนี่ยเวลาที่จะดูอาการเนี่ยให้ดูที่หน้าสัตว์นี่ดูที่หน้าด้วยหรือเปล่าสัตว์นี่คงไม่ดูที่หน้าเนาะเวลาแมวโกรธ ด, ดูที่ไหนดูที่ไหนแต่มนุษย์เนี่ยเวลาโกรธนี่ให้ดูที่หน้าก่อนเลยเวลากลัวก็อยู่ที่หน้าหมดเลยเนี่ยอลาตั ล, ลก็เลยใช้คําว่าหน้า สีหน้าเป็นเป็นเป็นเป็นอวัยวะที่ทรงเกียรติใบหน้าเป็นอวัยวะที่ทรงเกียรติในอิสลามห้ามห้ามตบหน้าห้ามทำร้ายใบหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูถึงแม้ว่าจะอยู่ในสงครามอ้ามเด็ดขาดเพราะถือว่ามันเป็นเป็นอวัยวะที่มีเกียรติเป็นอวัยวะที่ใช้สุ jud อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาอัลลมุลหมินจะต้องรู้จักสุ j u ดใช้สิ่งที่มีเกียรติที่สุดของเขาในการสุ j u ด a นะครับซีอตวทันฟรูวกีลาัีุทุมบีทัดดะอุนอันแสดงออกจากใบหน้าเลยว่าเป็นกังวลและก็กลัวด้วยความสะพรึงกลัวต่ออาณาของ Allah ตะลาใช้คาว่าุจุห์ลลุ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ีอ่าาอ่่่นน่่่่จจมมะะนน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่านหมายถึงว่า ทำไมอัลตัล่าใช้คำว่าอัลเลซกฟูให้อยู่กับใบหน้าพร้อมๆกันเพราะสาเหตุที่ทําให้ใบหน้าของพวกเขาเป็นอย่างนี้กังวลอย่างนี้สะพึงกลัวอย่างนี้เป็นเพราะการกูฟรของพวกเขาใช้คําว่าอัลเลซีนักฟูไปเลยเพื่อที่จะเป็นการย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งว่ากูฟอรเนี่ยมันอันตรายมันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนเหล่านี้ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺสุลฮาน و ่า q a هذا الذي كنتم به تدعون แล้วก็จะมีคนมาอาจจะเป็นมลายกัดบางก็บอกว่าเป็นมลายกัดนะครับมลายกัดซาบันเนี่ยผู้เฝ้านรกที่จะมาพูดมาซ้ำเติมบรรดาผู้ที่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอูซุบิลลัฮ์มิญซาลิกเหมือนกับตอนต้นในอายัดในสุรษุรษุอัลมุกที่เราเรียนไปแล้วนะครับที่ว่าชาวชาวนรกเนี่ยเวลาที่เข้านรกแล้วเนี่ย มีการมาถามอเลมยะติคมนาซีแปลกใจทําไมต้องเข้านรกไม่มีคนเตือนมาก่อนหรือถามเพื่อสัมเติมให้เจ็บปวดมากเข้าไปอีกนะร่างกายโดนลงโทษอย่างหนักแล้วใจยังโดนเข้าไปโดนซ้ําเติมให้มันแบบสุดๆไปเลยเอาสุเป็นแะหลมเนเดรริให้ต่ำต้อยให้อภยศอย่างที่สุดเลยนะวะกี้ละฮะเดรริคนจมไปฮีตัดดาวนเป็นการถากถางจากจากผู้เฝ้านรก สัมเติมความอัปยศของคนที่กู้โทษต่อโลกสุภาณเอาแต่อะไรนี่เอาไปเลยเนี่ยที่พวกเจ้าอยากจะได้นักเอาไปเลยอยากจะได้นักไม่ใช่เหรือตอนที่อยู่ในโลกดุญญนยะาตอนที่สบายสบายเรียกการลงโทษของโลกมังตะละเมื่อไหรเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยแต่ ar, พอดโดนจริงๆ r, เอาไปเลย oh, ดูซิว่าวัยไดเปล่า ah, ที่ ah เจ้าเรียกร้องรีบอยากจะให้อลกสุภาณตะละลงโทษแล้วเกิด نعوذ บ الله من ذلك لا إله إلا الله نعوذب الله من ن ا نعوذب الله من ا ل ن ا نعوذب الله من الكفر قل أرأيتم إن أهل كني الله و م َ م ع no ِ ي ََ و ر ح ِ م ن َ ا ف َ م ن ي ُ ج ي ر ا ل ك َ ا ف ِ ر ِ ي ن َ م ن ع ذ َ ا ب ٍ أ َ ل ِ ي م ยังไม่จบนะครับการสนตนาของท่านนบีสุลตาะสัลลัมกับบรรดาิก ين ยังไม่จบอัลลอฮฺยังสั่งให้พูดอีกนะครับ “คุณอาราอิทุมโอบรรดามุชร oh, oh, uh, ิก nah. ีนทั hay san, hay ia, ้งหลาย”อ้อเรอานไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น“คุณ”ไม่ใชว่า“โอ”ยาย و ل Allah โอศาสนทูตของ Allah อาราอิทุมจงกล่าวจงบอกฉันมาให้ท่านนบีถามบรรดามุชริกีนว่าจงบอกฉันมาอินอลกาิอัลลอฮา ا ن ه และ تعالى ให้ฉัให้ฉันเสียชีวิต ว่ามันไม่อะแล้วก็บรรดามุกมินบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่กับฉันบรรดาซอฮาบะของฉันเนี่ยเสียชีวิตหมดเรื่องมันเป็นอย่างนี้พวกมุชรินเนี่ยแต่ละวันเนี่ยพอมีเอ่อพอท่านนบีสุลต่านลมเข้าไปได้วะมันคอามรู้สึกเหมือนกับว่ามันเบื่อมันแบบชิงชังมันเกลียดไม่อยากจะฟังอะ บนแล้วก็หวังเมื่อไหรมันจะตายตายไปสักทีเมื่อไหร่มุฮัมมัดมันจะตายตายไปสักทีเมื่อไหร่มันจะหมดไปจากโลกสักทีนี่คือนี่คือสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมากับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านขอเราเสนอลึกๆเนี่ยพวกเขาหวังว่าท่านนาบีจะเสียชีวิตพวกเขาจะได้อยู่สบายๆจะได้ไม่ต้องหูจะได้ไม่ต้องรําคาญจะได้ไม่ต้องฟังุขขานลอ ทีนี้อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเลก็เลยสั่งให้ท่านนาบีถามคนพวกนี้ว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยพวกเจ้าจะได้อะไรมีประโยชน์อะไรกุลอารอัยจุมยั่มฮามัดจงกล่าวกับพวกนี้ว่าถ้าฉันตายไปอินอัลลอการีัลลอฮฺวะมัมไมะถ้าอัลลอฮ์ตะลาทำให้ฉันตายไปพร้อมกับบรรดาซาบาัดตายไปหมดมักกะเลยเออระฮิมานาหรือทำให้ฉันเนี่ยประสบความสำเร็จในการตะอ่ะมีอยู่ส อ, อย่าง มุมินเนี่ยรออยู่สองอย่างนี้หนึ่งเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วจะไปรับผลตอบแทนจากอัลลอ์สุบฮานตะอในสวนสวรรค์ในอครา์กรณีที่หนึ่งตายแล้วไปหาอัลลอ์กรณีที่สองประสบความสำเร็จในการดาว่าในการจิหาดซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีแต่ได้กับได้เหมือนเวลาที่ออกไปทำจิหาด ทำไมบรรดากองทัพของมุลิมเวลาที่ออกไปเยฮัดเนี่ยเห็นกองทัพใหญ่โตมโหฬารไม่กลัวเลยเพราะอะไรเพราะอะไรทุกครั้งเวลาที่เกิดสงครามจำนวนของมุสลิมจะน้อยกว่าจำนวนของศัตรูเกือบทุกสงครามในสมัยของท่านนาบี m u ม a m m a d sallallahu a l a i h a m แต่ทาไมบาดารก็ชนะอะอ า, อ า, าฮซะก็ชนะตาบูก็ชนะเกือบทุก คือสงครามยกเว้นบางสงครามที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการบริหารอย่างเช่นที่อูภุแษก็ที่ฮูไนตอนแรกๆสุดท้ายก็กลับได้รับชัยชนะเหมือนกันเกือบทุกสงครามที่ท่านอภิสลัพสลัมส่งบรรดาซอว่าออกไปเนี่ยชนะ ห, หมดเลยทั้งๆที่จํานวนน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะมุกมินวังอยู่สองอย่างหนึ่งตายไม่กลัวตายตายพอตายปุ๊บไปเจอกับอะไรครับเสวรรค์ ไ้รัการตอบแทนาออกมจากอะไรทันทีหรือถ้าไม่ตายก็ชนะในสงครามได้กรณีมาได้ทรัพย์สงครามได้อะไรต่างๆนานาที่ยึดมาจากศัตรูได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันบรรดาพวกมุชริกินกําลังว่าท่านนาบี ส, ลลลสลุลต่านสุลต์กาลังหวังลึกๆว่าจะให้ท่านนาบีนี้เสียชีวิตสมมุติว่าท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วคนพวกนี้จะได้อะไรไม่ได้อะไรเลย ไม่ใช <Mas> ่ว่าพอท่านนบีเสียชีวิตแล้วพวกพวกนี้จะชนะไม่ในขณะเดียวกันท่านนบีบรรดามุสลิมเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และเต็มรับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่อันนี้กรณีที่หนึ่งอะฮละคารีอัลลอฮฺอัลฮะลาตรงนี้หมายถึงเสียชีวิตอัลลอฮ์ต้าลาให้เสียชีวิตหรืออูรฮิมานะอัลลอฮ์ต้าลาจะให้ความเมตตาก็คือให้ท่านนบีประสบความสําเร็จในการดะว่าวคนเหล่านี้ให้มาเป็นมุสลิมจริงๆ สองกรณีนี้มีแต่ได้กับได้ในขณะที่คนกาเฟตคนที่ไม่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลต่านละสัลลัมแต่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีประโยชน์อะไรไหมไม่สุดท้ายเขาเองก็จะต้องเสียชีวิตตามท่านนบีสุลต่านละสัลลัมไปพอพวกนี้เสียชีวิตเนี่ยการเสียชีวิตของมุสลิมกับการเสียชีวิตของกาเฟตนี้ถามว่าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอัลลอลาก็เลยถามว่าแฟมันยูจีรุลกาฟเรีนามินอาซาบิอัลีมฉันเสียชีวิตไปหาอัลลอฮ ฉันได้รับสวรรค์ฉันได้รับผลตอบแทนแต่ท่านละ่ะเวลาที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านกลับไปหาลอตท่านจะได้อะไรท่านจะต้องกลับไปหาการลงโทษจากพระพูเป็นเจ้าของท่านแ ล, แล้วใครที่จะทาให้พวกท่านปลอดภัยจากการลงโทษของลอต س ب ح านอัลลอฮ์คิดหรือเปล่าสุบ ا ้าัลลอฮ์อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการสอนตรร ก, กะง่ายเวลาที่ คนมันดือ้อใช้ให้กม้าไม่เป็นหมายถือว่าใช้ให้กม้าก็ไม่รับใช้การตักเตือนดีๆไม่รับมันต้องใช้ตรกกะอย่างนี้ตรกกะแบบง่ายๆสมมตุติฉันเป็นมุสลิมฉันตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันกลับไปาหาอัลลอฮ์สนะุบฮาวะละถ้าหากว่าความเชื่อของฉันเป็นจริงฉันตายไปแล้วฉันได้รับสวรรค์หรือถ้าสมมุติว่ามันไม่จริงเราเป็นมุสลิมเราตายไปมันจะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นครับมันก็เจ้ากันมันเจ้ากันคุณไม่ใช่มุสลิมฉันเป็นมุสลิมถ้ามันไม่จริงอะถ้าอเคเรตมันไม่จริงสองฝ่ายนี่เป็นยังไงเจ้าแต่ถ้ามันจริงขึ้นมาใครเดือดร้อนอันนี้เป็นตะกะแบบคนแบบคนแบบไม่ใช่กุมัตนะนะแบบคนที่แบบมันดื้อจริงๆไม่รู้จะเอายังไงแล้วเอาพูดกันง่ายๆไปเลยพูดกันแบบภาษานักเกร พูดแบบภาษานักเลรไม่ใช่ไม่ใช่ภาษานักวิชาการและนักวิชาการเขาจะไม่พูดอย่างนี้คนที่มีปัญญานี่เขาจะไม่พูดกันอย่างนี้เข้าใจละถ้าคนมีปัญญาจริงๆอ่านสุรตุลมุกหน้าแรกนี่ก็พอรู้เรื่องละไม่ต้องถึงหน้าสุดท้ายหรอกแต่นี่มันไม่ยอมที่จะใช้ปัญญาคิดถึงขนาดนี้ก็เลยต้องใช้ตักกะแบบอะแบบหักดิบไปเลยนะฉันตายฉันกลับไปห า, าล่องสุภานาเราแต่ละแต่เจ้าตายละเจ้ากลับไปหาอะไร ถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาในวันอาทิตย์เอาบูบินละมันจอะไรแน่นอนว่ามุสมินเชื่อว่ามันเป็นจริงเราทุกคนเชื่อสุบภาอัลลอฮ์ยะอัลลอฮ์ถ้าไม่เชื่อลองกลับไปทบทวนอายะที่เราอ่านตั้งแต่ต้นสุรแล้วก็กลับไปทบทวนมัชลุกทั้งหมดดยผมมีความรู้สึกว่ า, วาอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์ในสุรทูลมุลเนี่ยเรากำลังจะสรุปมันเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกถึง พลังอํานาจหรือความสามารถที่พระรองค์ต้องการให้เราทําความเข้าใจกับมันให้ลึกซึ้งเพราะว่าการเชื่อวันเกียตรติ์เนี่ย ม, มันมันมีมันเหมือนกับมันเหมือนมีม่านอะไรบา ง, บางๆแค่นั้นเองถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่อลอสโวตะสอาราต้องการให้เราเห็นในโลกดุนีย์นี่เนี่ยการพูดถึงวันเกียตรติ์มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเราเห็นท้องฟ้าเราเห็นจักรวาลที่อลอสโวตัอาลาสร้างมาแบบ ไม่มีที่จะติเลยนะครับไม่มีที่จะติเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าสิ่งต่างๆที่อลอสบาลตะาาลาสร้างมาในรูปแบบอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญจะเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้สร้างแล้วเวลาที่อลอสบาลตะาาลาบอกว่าพระองค์จะทำให้สิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างขึ้นมาสูญเสายไปในวันหนึ่งเนี่ยทำไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะต้องทบทวนกันหลายๆครั้ง นะฟะจีลบาศรอฮัลตาร์มุฟตูต้องดูหลายๆครั้งต้องสังเกตหลายๆครั้งต้องศึกษาหลายๆครั้งยิ่งเราศึกษานะครับยิ่งเราเรียนมัคลูของลอสุภาหัตตาลาสิ่งที่ลอตตาลาสร้างมาจะทําให้เราเข้าใจถึงความสามารถของพระองค์มากขึ้นแล้วเราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้ววันเกียรมัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยภาษาบ้านๆเราก็คือแค่ดิดนิ้วอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลย สำหรับ Allah, ح ح han, อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮละการสร้างกับการทำลายถ้าสำหรับมนุษย์อันไหนง่ายกว่าเวลาที่จะสร้างบ้านน่ะใช้เวลากี่วันสร้างบ้านสอสามเดือนไม่ต้องถามในช่างแล้วเวลาจะทุกบ้านอ่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงมันไม่ได้ยากอะไรเลยแม้แต่ ท, ทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะครับทฤษฎีบิ๊กแบงนี่ที่เขาบอก ท, ที่เขาบอกว่า ที่เขาบอกว่าจักรวาลนี่มีการขยายตัวออกไปเรื่อยๆจากวิกแบงกนะยังไม่รู้นะว่ามันจริงหรือถูกอะไรยังไงเนี่ยอย่าไปเชื่อมากนักทฤษฎีนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นทฤษฎีที่จะอธิบายการการกําเนิดจักรวาลพี่น้องลองไปอ่านกลับไปอ่านดูนะครับ <c oughs> อทฤษฎีที่บอกว่าจักรวาลมันขยายตัวขยายตัว <c oughs> นักนักวิทยาศาสตร์คนเดียวกันที่บอกว่าจักรวาลมันขยายตัวเนี่ย <c oughs> กลับบอกว่าพอถึงเวลาหนึ่งจักรวาลจะหมุนตัวกลับ ไปสู่จุดเดิมเห็นไหมคือ <c oughs> จะพยายามหนียังไงอะเราจะพยายามหนีจากอาเครัสไม่ได้หรอกยังยงน้อยที่สุดคุณหนีความตายไม่พ้นและมันก็ยังเป็นเรื่องเล้นรับความตายเป็นเรื่องเล้นับที่ไม่สามารถไม่มีใครที่ตายไปแล้วกลับมาบอกได้ไมี่อย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะต้อง นะรับก็คืออัลลอฮ์สุบฮานตะอัลาสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆหลังความตายได้อย่างชัดเจนมันไม่มีทางอื่นอีกแล้วนะครับที่มันหมดหนทางที่เราจะปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานตะอัลาโอน์เคียมักจะเกิดขึ้นเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ทนโทษต่อหน้าเราในนเราถ้าเรายอมรับถึงความอลังการของท้องฟ้าเราก็ต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์สุบฮานตะอัลลาจสร้างวันเคียมันเพราะผู้ที่บอกว่าพระองค์ สรารท้องฟ้ากับผู้ที่บอกว่าจะทําให้เกิดวันแกมัดคือพร ะ, ะ, ะองค์องค์ศาลาคนเดียวนะครับไม่มีคนอื่นบอกอย่างนี้ไม่มีคนอื่นบอกอย่างนี้นับจากองค์พระองค์ศาลาอย่างเดียวนี่เป็นความความมหาศา์ของอัลกุรอานหรืกามีนซึ่งนับตั้งแต่ถูกถูกประทานลงมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครที่สามารถลบล้างความจริงข้อนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเออ just หมายถึงเป็นการท้าทายที่ต้องก็เนี่ยรออยู่ตอนนี้อัลกุรอานรออยู่ว่ามีใครสักคนหนึ่งจะมาถ้าคิดว่าอัลกุรอานไม่ใช่ของจริงมาเลยมาเลยท้ามาตั้งแต่นูนนะท้ามาตั้งแต่วันแรกที่ถูกประทานลงมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้อัลกุรอานของอัลลอฮ์สุฮาห์อัลฮานะซุฮานอัลลอฮ์ นี่ฮะว่ามะมัยอัลราะห์มันนะ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ใครที่สาเมต์ให้พวกเจ้านั้นได้หลุดพ้นจากการลงโทษของล่องสุภาอาวะตาล้มีการอธิบายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับการอุกฟาลุมักกะญาดูอุน่าลาราซูลุลลาฮฺซุลลัลลัลละมุ่มินีนบิลฮลาอธิบายตรงนี้ว่า Wuk kufar, wuk kafir Mekah ni, kau doa, macam saya kau doa, batera sab cheeng, hai Tn Nabi kah Banda Sahabat ni, tadi beri mut mut, <laughs> Allah Taala kau leisang hai Tn Nabi, faa marabi an yaqoo lah lah hom, Allah Taala kau leisang Tn Rasul, hai kaw kah, kon pun kon ni wah, nahnu mu minun, kita beri suna li ahdal husnayin, kita beri suna li ahdal husnayin, kita beri suna li ahdal husnayin, kita beri suna l b i suna li ahdal h u s n a y a y n r a l k a b l a n a r a k h d i ความดีงามสองอย่างซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราคือสองอย่างนี้เป็นตัวเลือกที่ยังไงก็ดีหมดได้กับได้อย่างที่บอกเมื่อกี้อิมมนนานุหลิกอิมมานะฮลิกกามาตตะมันนาฟันกาลิบอิลจันนะกรณีที่หนึ่ง ก, ก, ก็คือเราเสียชีวิตแล้วเร า, าก็กลับไปสู่สวรรค์ของ Allah Subhanahu wa taala นี่เป็นความดีในกรณีที่หนึ่ง เนุรหมบินนุสราที่ ع ل ي หรือกรณีที่สองอัลลอฮฺ تعالى เมตตาเราให้เราได้รับชัยชนะเหนือพวกเจ้าอัมมาอันตุมฟมาแดดศาสนาอุนในขณะที่พวกเจ้าทั้งหลายอบรรดาคุฟาร์เอ๋ยเจ้าจะทําอะไรได้มันยุยีรุคุมวันตุมกาฟรูนมินอาดับินอัลีมละมาฟรรละคุมมิ่งครที่จะสามารถให้พวกเจ้ารอดพ้น เพราะพวกเจ้าเป็นพวกเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุภาวงจาอะลัให้พ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดที่ไม่มีทางเลี่ยงได้นะครับนี่คือสรุปจาก อ, ยรรอ า, นนายัดนี้ก قل هو الرحمنوآمنا بهي وعليه توكل นะ Allah. อัลลอฮ์อักบัร์นี่อายัด น, นี้เป็นอายัดที่สวยงามอีกอายัดหนึงหลังจากที่ท้าทายบรรดามุชริกีนแล้วมาในอายันี้เป็นการประกาศ ย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงความศรัทธาที่มั่นคงนะฮะกุลฮุออร์มานจงกล่าวเถอดโอ้โมฮัมมัดว่าพระองค์อัลลอฮ์คือคืออะไรอัลลอฮอัลลอฮ์มาชื่อนี้มาเชลลอฮนะครับบอกแล้วว่าท่ามกลางความหยุดเดือดของสูเราจุลมุลกที่อัลลอฮ์สั่งตั้งแล้วกำลัง โตตอบกับบรรดารมุชริกีบมีมุมแห่งความรู้สึกรู้สึกคอนคลายความรู้สึกที่ทําให้ความดุเดือดที่กําลังต่อสู้กันเนี่ยมันมันนุ่มอะมันนิ่มนวลอะนะกุลผู้อัลลอฮ์มา่นจงกล่าวเถิดอัลลฮ์มั่ว่าผูรรา a a, ้อัลลอฮ์มันอัลลอฮ์ตัาละคือผู้คือผู้ทรงผู้ทรงเมตตานะจะกลับตัวตอนนี้อย่างทันเพราะอัลลอฮ์ตัลละเมตตาอยู่เสมอ กุลหัวอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮมอัและฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮหอัลลอฮฺอัลลอฮตอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺัลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮั นะครับในเอเยตเนี่อัลลอฮฺเราลรวมเข้าด้วยกันมันนับอิฮิวะลาอฮิตาวักกลนะถ้าไม่ศรัทธาอันนี้ไม่มีตาวักกลแน่นอนศรัทธาแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะตาวักกลได้แต่ถ้าไม่ศรัทธาตาวักกลไม่มีชัวจะศจะตาวักได้ยังไงในมือไม่ศรัทธา <laughs> เพราะฉะนั้นจะทำให้เรามีการตาวักกลต่ออัลลอฮฺเราจัลาต้องทำศรัทธาของเราให้ดี ศรัทธาต you know, so, ่อลส์เราต่ออะให้สมบูรณ์ต้องรู้จักลอส์ต่อลาให้เข้มข้นแล้วความตวกลการมอบหมายของเราก็จะเกิดอันนี้สาคัญมากนะครับ و ะ ل ค ه ت و ك ลม ا น س ั ع ل م و ن من هو في และพวกเจ้าก็จะได้รู้ว่าใครที่อยู่ในการหลงทางอันชัดแจ้งนี่คืออัคดะของมุสมิม อันเคด้าของเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านนาบีบอก ว, ว่าเนี้ยคืออันเคด้าของฉัน Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์เมต์คือผู้ที่ฉันศรัทธาและยังพระองค์ที่พวกเรามอบหมายตาวรกัลส่วนของพวกเจ้ามีอะไรมั่งอะลองลองเปรียบเทียบสภาพ إ ي م านของผู้ศรัทธากับ إ ي م านของผู้ที่ไม่ศรัทธาสิผู้ศรัทธา إ ي م ا นต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตวรกัลต่ออัลลอฮ์แบบเต็มเต็มในขณะที่ إ ي م านของ ผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อล l l a h มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับข้อ <g ül üyor> ในสุรทุลมุลที่เราอ่านไปเมื่อสองตอนที่แล้วที่จําได้ไหมเทวทัตลาถามให้ถามว่าอัมมันแทะละดีหัวจุนดุลละคุมยองสุรุกรมินดูนิราะมันในเล่ากองทัพของพวกเจ้ากองทัพพระเจ้ากองทัพ <g ül üyor> เป็นกองทัพเลยไม่ใช่แค่พระองค์เดีย <g> ว <ül üyor> เป็นกองทัพเลยล่ะ พอไม่ได้กับไอตัวนี้ไปหาอีกตัวหนึ่งพอไม่ได้กับไอตัวหนึ่งไม่มีการทวกกันใดๆทั้งสิน้น إ ม م ا ن ก็ إ ม م ا ن ปลอมๆไม่ได้ إ ม م ا ن จริงๆเหมือนที่ผู้ศรัทธา إيمان ต่ออัลลอฮฺ AH สุบฮานอาอฺทำไมได้ทวกกันจริงนะทวกกันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทวกกันแบบที่มุ่งมินทวกกันต่ออัลลอฮฺสุบฮานอาอฺเพราะฉะนั้นสภาพการใช้ชีวิตมันก็บ่งบอกถึงแล้วว่าใครอยู่บนอุดมการณ์ที่ถูกต้อง ไม่ต้องไปอธิบายมากการใช้ชีวิตของสองพวกสองฝ่ายเนี่ยมันก็จำแนกได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับลเอเลห์อิลลอหนะฟะสะเะลัมุนมันหัวฟี ظل ลามูบีนะครับอัลลอฮ์อักบารลเอเลห์อิลลผมว่ามันเป็นอะไรที่มาอัศจรนย์นี่เราบอกยังยังบอกอยู่เป็นอะไรที่มาอัศจรนย์นับตั้งแต่ที่อัลลอฮ์ س ب ح ا ن ละสร้างอาดัม عليه لام, เป็นมนุษย์คนแรก จนกระทั่งทุกวันนี้เส้นทางของ ล, อววล็อกส์วอล์ตอะไรยังคงเป็นเส้นทางนี้ยังไม่มียังไม่มีหนึ่งสองสาี่ห้าหไม่ ม, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ม, มียังคงเป็นเส้นทางเดียวไปตลอดท่านอาบับดุลสลามเปรียบเทียบตัวของท่านเองกับบรรดานับีว่าเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับคนที่มาสร้างอาคาร คนนั้นมาก่ออินบีอาดัมมาก็กอ่ออินิดหนึ่งพอนบีอิบรออีมานาบีคนนู้นมามาช่วยกันกอ่อช่วยกันสร้างบ้านสวยงามมากศา ส, สนาของเราทรงตรัสตั้งแต่ยุคนบีอาดัมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นบ้านหลังเดียวไม่มีบ้านสองหลังสามหลังสีหลังอะกิดาเดียวไม่เคยแตกแยกออกเป็นอะกิดาเนาะอะกิดานี่ไม่เลยอะกิดาอัลลอฮหัวหัดเท่านั้น นนขณะนาที่อคิดะอื่นเนี่ยไม่รู้พระเจ้ากี่ตัวไม่รู้สิงคโปร์กี่อันสุขานะหละนี่แหละอกิดะที่อัลลอฮฺสุลต่าส่งมาให้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหมดอคิดะเดียวเท่านั้นอกิดะอัลลอฮพระเจ้าองค์เดียวนบีทุกคนช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้จนสวยงามเพราะถึงยุคของท่านนบีสลอัลลท่านนบีบอกว่าฉันเดินวนทั้งหมดรอบบ้านยังมีอยู่จุดหนึ่งที่ยังเป็น มือนเป็นช่องอะเหมือนเป็นช่องที่ยังขาดอิดแค่แค่หนึ่งก้อนและฉันก็คืออิด ก, ก้อนนั้นท่านอบีบอกว่าฉันคืออิด ก, ก้อนนั้นสุภาพนัลล่นอหละศา ส, สนาของเราที่เรานับถืออยู่ตอนนี้ไม่ใช่ศาสนาที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีมาไม่ใช่นะฮะเป็นศาสนาที่เรารับสืบทอดมามตั้งแต่เราอยู่ในสวรรค์ ตั้งแต่ที่เราอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่บัพระบุุรคนแรกของเราก็คืออาดัมอัฮิสลาเป็นเป็นอะไรที่เรายอมแรกเลยครับกั <S <S บสิ่งอื่นอะอักดิยาทั้งหมดที่เป็นเขาเรียกว่าซุลและหเป็นอะไรเป็นสายโซ่อาดัมนูอิดริสฮุสาเละจนกระทั่งท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลละสวยงามมาก แล้วเรายอมแลกที่จะไม่เอาสายเชือกนี้แต่ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสองรอปีที่แล้วเมื่อสามร้อยปีที่แล้วไม่นะครับนี่คือภาษาตั๋ลโมูนัมันหัวฟิุลลาลิมูบนะีความชัดแจ้งมันชัดมากเลยว่าอันไหนที่มันตรงดิงกับอันไหนที่มันไม่รู้สับสนปนเปนกันหมดคล้าคล้าวกันจนไม่รู้ว่าต้นกําเนิดของมันมาจากไหนนะทุกวันนี้เนี่ย ไม่มีนะอุบินละฮามินลิกไม่มีลัทธิหรือคำสอนที่ไม่มีการปะปนกันนอกจากอิสลามบริสุทธิ์จริงๆลองดูนะสมัยก่อนแต่บ้านเราเนี่เขาบอกว่าก่อนที่อิสลามจะมาถึงเอเชียอัคเนก่อนที่จะมาถึงเนี่ยอัอตตานีถานมาถึง อ, อินโดนีเซียหรือแถวแหลมมาลายูเนี่ยคนบ้านเราเขานับถืออะไรครับ แ, แรกแเลยนับถือศาสนาที่เขาเรียกว่าพูดผีปีาศาจนับถือวิญญาณบรรพบุรุษหลังจากนั้นศาสนาพุทธเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็มีบทปะแต่เป็นศาสนาพุทธที่ค ล, คลัายคล้าวกับฮินดูอินดูพุทธไม่ใช่พุทธเพียวเพียเป็นฮินดูพุทธแล้วไอ้นับถือผีที่นับถือมาตั้งแต่โบราณกาลก็บูรณาการกับศาสนาใหม่นี้ได้ด้วย มันเข้ากันได้นับถือวิญญาณนับถืออะไรพวกเนี้ยศาสนาพุทธมาการนับถือวิญญาณก็ยังมีมันอยู่กันได้มันไม่ต้องจำแนกอะไรสมมุตาาินั่นหรอมีแต่อิสลามกท่านั้นพออิสลามมาปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัลลอฮฺบ้ามเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความบริสุทธิ์สะอาดเข้าหาอิสลามแล้วจะเจ อ, เจอแต่ถ้าไปอันอื่นนั้นรวมกันได้หมดอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อหลายครั้งที่แล้ว นะรวมกันหมดทําพิธีพิธีคริสเตียนตอนเช้าตอนบ่ายพิธพีมันอยู่กันได้ยังไงระหว่างศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺอิสลามไม่ได้ว่าว น, นี่คือเส้นทางของอัลลอฮฺสุบฮาวตักลาที่ตรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับอย่างอื่นเลยไช่ละให้ลงต่อไม่มีในโลกนี้ไม่มีนอกจากนอกจากศาสนานี้ของอัลลอฮฺสุบฮาวตักลาเพียงศาสนาเดียวสุดท้าย จบนะครับจบสุดท้ายดูการท้าทายเป็นคำถามอีกข้อหนึ่งที่ท่านอับดุลเลาะว์สันลัมได้รับจะอัลลอฮ์สุบฮารตะลาให้พูดกับรรดามุชริกีนล่า้ว่าวอารายตุมอินอัศบะฮ์มาอุคุมกรอแะมันยะที่คุมบิมะอิมไม์จงกล่าวเถอะโอ้ Muhammad แก่บรรดามุชริกีนว่าจงบอกฉันมาสิว่าถ้าอัลล์ุบฮาตะลาทาให้น้าน้าอะไร น้ำที่อยู่ในบ่อน้ำที่อยู่ในแหลง่งน้ำของพวกเจ้าเนี่ยเืิดแห้งไปหมดเจ้าจะเอาน้ำที่ไหนมากินถ้าสมมติน้ำหมดไปจากโลกนี้เราจะเอาน้าที่ไหนมากินแะมันยะที่คุ้มบเมอิมอีนใครที่จะเป็นผู้เอาน้ำบนหน้าแผ่นดินให้ได้ปรากฏแก่ดวงตาทั้งหลาย ม, ม, มาอิมไอมนก็คือน้าที่เราสามารถจะดูได้ด้วยตาของเรา สามารถขุดแล้วก็มันเห็นด้วยตาของเราเองนะครับไม่ใช่น้ําที่อยู่ใต้ดินลึกลงไปถ้าเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินลึกจนต้องใช้อะไรระบบต่างๆนั่นแนหะไม่ได้เรียกว่าเป็น ม, ม่เอ็มไมเพราะว่าในสมัยก่อนทุกอย่างเนี่ยเราคนโดยเฉพาะคนอาหรับอันนี้เป็นปัญหามากเลยเรื่องน้ํากับคนอาหรับคนที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยเรื่องน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญมากผมว่าไม่ใช่เฉพาะคนอาหรับหรอกคนบ้านเราก็เหมือนกันนั่นแหละ ปีที่แล้วที่แล้งหนักนะที่แล้งหนักสามจังหวัดเนี่ยที่ยาลาเนี่ยน้ําไม่มีเกือ <c ười> บปี <c ười> บเกือบไม่ใช่ปีตั้งแต่เดือนเมษามาจนจนกระทั่งเนี่ยต้นฝนเมื่อเมื่อไม่กี่วันมานี้เองน้ําแห้งหมดครับต้นไม้ตายหมดจเจ้าน้ํามาจากไหนต้องขนนา้ามาจากแม่น้ําต้องขนน้ำมามาจากรุ่นมาจากนี่น้ําดื่มที่เราใช้กินอยู่ทุกวันเนี่ย <c ười> เกิดมาจาก การที่อัลลอฮฺสุลต่าละประทานน้าฝนลงมาเกือบทุกชนิดเลยถ้าไม่มีฝนแม้กระทั่งระบบชลประทานใช่ไหมครับระบบชลประทานที่มีการกักเก็บกักอะไรกักเก็บน้ําในเขื่อนในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าฝนแรงสักนิดหนึ่งเขาจะเริ่มกังวลแล้วพระอาค์น้ำมาจากไหนอ่ะถ้าไม่ใช่น้ําฝนน้ําฝนมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุลต่าละจึงพูดถึงประเด็นที่คนอารับ โดยเฉพาะพวกกูเรชเนี่ยหนักมากถ้าประสบกับปัญหานี้ถ้าไม่มีน้ำฝนคนอาหรับจะอยู่ไม่ได้เลยไม่อยู่ไม่ได้เลยแพะที่ใช้เลี้ยงตามทุ่งก็ต้องพึ่งฝนคนก็ต้องพึ่งฝนนะสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็ต้องพึ่งฝนหมดเลยไม่มีน้ำฝนจากลอสเ ว, วตลต์อะลาไม่มีชีวิตอยู่นะครับในในทะเลทรายนะบ้านเราบางทีพอพูดถึงอะไรประเภทนี้อาจจะอาจจะไม่มีความรู้สึกว่ามันคือบ้านเราน้ามันเยอะอะ น้ำมันหลยเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมากถึงขนาดนั้นเวลาที่มันแห้งมันก็แห้งเหมือนกันก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยอย่างภูเก็ตตอนที่มันแห้งแห้งหมดเลยบางบางทีก็มีข่าวลือออกมาบอกว่าอย่างไงนะว่าน้ําจะไม่มาอะไรอย่างพวกอย่างนี้เราก็ยังเดือดร้อนเราลองคิดดูคนอาหรับเวลาที่ไม่มีน้ำเขาจะอยู่ยังไง <c oughs> อยู่ไม่ได้เลยนะครับต้องพึ่งนั่นแหละต้องพึ่งน้ำจากลอกสเปาส์จากอะไรจากน้ําฝนเพียงเพียงอย่างเดียวเลย อัลลอฮุตะอาลอนะครับนี่เป็นอายัดสุดท้ายซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นถึงการที่อัลลอฮฺสุลตาผูกโยงความสามารถอัลมุลกยังอยู่ในโครงสร้างหรือว่ายังอยู่ในกรอบของอัลมุลกเพราะว่าฝนเนี่ยอัลลอฮฺสลตาเท่านั้นที่ทรงสามารถในการที่จะประทานลงมาไม่มีใครสามารถทรงประทานฝนได้แม้กระทั่งกระบวนการทาฝนเทียมเองก็ไม่ใช่ว่าไปทาให้ฝนมันลงมาแต่ไปช่วยให้ ใหเมฆมันอยู่ด้วยกันให้เมฆมั น, ม, นมันเกิดปรกากฏการณ์ที่พร้อมจะมีฝนลงมาแค่นั้นเองฝนจริงๆเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราทุกคนอัลฮัมดุลิลละนะยังมีโอกาสที่จะได้ขอบขอบคุณอั Allah ธธลลอฮ์ทรงพานอัลลอฮ์ยังได้เห็นเนี่ยมาต่างๆที่พระองค์ประทานให้ถ้าวันใดวันหนึ่งที่อลัลลอฮ์ตาลาไม่ประทานเนี่ยมาต่างๆของพระองค์ให้นะครับเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไงแต่นั่นแหละมนุษย์เราเวลาที่สบายก็มัก หลงลืมไม่ค่อยที่จะชุกโกรต่อรอบสุภาขาจาอลละเพราะฉะนั้นส่หนนี้ความหลากหลายของมันก็มีพอสมควรแต่ประเด็นสำคัญที่เราเพูดกันมาหลายครั้งก็คือว่าความส ม, มดุลในการนำเสนอสุรทุลบุญด้านหนึ่งอัลลอสุบไบ์ตอลลาต้องการให้เรามีความสำนึกถึงความสามารถความเปลียนไกลพระเดชานุภาพของพระองค์อีกด้านหนึ่งพระองค์ต้องการเรียกร้องเรา ใช้ความนุ่มนวลในการนำเสน อ, อเพื่อให้อยู่ระหว่างความกลัวกับความหวังละตลถึงแม้ว่าบาของพระองค์นี่จะทรยศเราใช้คำ ว, ว่าทรยศเลยถึงแม้ว่าเราจะทรยศ Allah ละลามากแค่ไหนเนี่ย س ب ح ا Allah ความเมตตาของพระองค์ก็ยังมีอยู่เสมอเนี่ยอั์มานยังมีอยู่ในแทรกอยู่ในสุรหะอัลมุล์อย่าง อย่างยังไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีคนบางคนบอกว่าเวลาที่เราปิดประตูห้องเพื่อที่จะทำผิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาตาละลาไม่มีใครเห็นเราอั AH าลลอฮตะลายังเมตตาเราด้วยการส่งออกซิเจนผ่านช่องประตูให้เราได้สูดลมหายใจมันจะเอาอะไรอีก เราใช้ลมหายใจใครในการทำผิดต่อล l ะ a h สุข่าน่ ล, ล์นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทบทวนนะครับซวลตุลมุลถูกประทานลงมาเพื่อตักเตือนบรรดามุชริกีนที่ไม่ยอมสำนึกในขณะเดียวกันมันก็สอนเราต้องเป็นผู้ศรัทธาให้ได้สำนึกมากขึ้นไปอีกนะครับจากศรัทธาที่มีอยู่เท่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกจากความมั่นใจที่มีอยู่เท่านี้เพิ่มมากให้มากขึ้นไปอีกมากขึ้นเรื่อย ก็สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากอัลมุลกความสามารถของ Allah ความความการควบคุมของล l l a h س ب ح ะตาลาบอกแล้วนะครับวิธีเดียวเท่านั้นที่เราสามารถจะหนีจาก Allah ตาลาได้หนีจากอัลมุลกของ Allah سبحانه แาาละตาลาได้ก็คือการกลับไปหาความเมตตาของพระองค์ใช้ความเมตตาของพระองค์เข้าหาพระองค์นั่นแหละหนีพ้นไม่อย่างั้นหนีไม่พ้นหนีไม่พ้น นี่คือความยิ่งใหญ่นะครับของของอัลกุรอานแล้วของคำสอนอิสลามที่ต้องการให้เราเข้าใจอย่างนี้ถ้าพี่น้องอยากจะย้ำเตือนตัวเองในเรื่องแบบนี้นะครับทุกวันย้ำเตือนให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของเราต่อห น, น้าอัลลอ์ให้อ่านดูอานี้อย่าให้ลืมอย่าใหอา้อย่าพลาด ท, ทุกวันเลยต้องอ่านไซดูดอิสติฟาร์ แม่บทของการอิสติลฟารหรือว่าหัวหน้าของการอิสติลฟารที่เป็นอัสการเช้าเย็นนะแม่บทของการอิสติลฟารเนี่ยเป็นการตอบย้งสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เราจะหนีจากอัลลอ์ไม่พ้นนอกจากต้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮมาอัลลอฮ์บีลาอิละอิลลัอันตะขลักตันีวะนะะบดุกะวะนะะลาอัฮ์ดิกะวะดิกะมัสต อา عوز بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وابو بذنبي اغفر لي فإن ه لا يغفر الذنوب إلا أنت ใครก็ตามที่อ่านกลางวันและเขาตายในเวลากลางวันเขาจะได้เข้าสวรรค์ใครก็ตามที่อ่านในเวลากลางคืนและเขาตายในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์นี่เป็นคารับรอง จากท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลตัลลัม ส, สัลลัมเพราะว่าเป็นการยอมรับความอ่อนแอของเราต่อห น, น้นอาอัลลอฮ์เราใช้เนืหมัดของพระองค์ในการทําผิดต่อพระองค์แต่พระองค์ก็ยังอภัยเราเวลาที่เรากลับไปหาอลัลลอฮ์สุบฮานาะอตัลลัไม่มีใครที่เมตตามากไปกว่าอลัลลอฮ์อีกแล้วนะครับขอให้สุลตุลมุลก์อยู่ในใจของเราทุกคนแล้วก็ถ้ามีความสามารถก็ได้ท่องได้ทบทวนนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากทาั้งในแง่ของผลละบุญทั้งในแง่ของความประเสริฐและในแง่ของบทเรียนที่เราจะได้รับจากสุลตานี้ ในการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ด้วยสตินะครับและก็ด้วยห j u a l ่ตรงจนกว่าเราจะสิ้นชีวิตจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับอัลลอฮฺจ่อัลลอฮ์มูซัลลัลลอฮฺองอันายนะมุฮัมมัดอิน้าลาอัลัฮิวซัฮบิวสัลลัมุฮานะรบบิอบลซตอมาฟนสลามนะอนัลมุลีน والحمد لله رب ا ل ع ا ل م س ัลา ع م و م ة الله